เราก็เอาเออที่เขาพูดมาดบางทีเรากำลังไปไม่เป็นเนี่ยพอได้ยินเออเขามาเออเราก็เอเ อ, เ อ, เอถูกเราก็จัดไปได้เลย น, นะมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละการฟังไม่ใช่เหมือนฟังหมวลําลิเกฟังเรื่องไรสาระนั่นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยฟังที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยที่เราจะออกจากกิเลสได้ไม่เป็นขี้ข้ากิเลสอีกเนี่ยฟังอันนี้ให้มันรู้ทันนะรู้ทันกลมายาของกิเลสเราจะได้มันมาเกิดเป็นขี้ข้ารับใช้มันอีกจะได้ไม่ต้องมาทุกข์อีก นั่นเราก็ทุกอยู่เนี่ยแหละนั่นมันก็สั่งไปให้ทําอะไรก็ต้อ ง, งทําตามที่มันสั่งจิดวนคิตเย็นคิดซ้ำคิดเศร้าเรื่องเดิมๆอยู่นะจมอยู่กับทุกอยู่นะมนไม่มีโอกาสที่จะเป็นอิสระ จ, จากที่เรียนได้ก็เป็นขี้ข้ารับใช้ก็อยู่นั่นไม่จบไม่สิ้นไม่ทําเอาแล้วใครจะมาทําให้ใครก็กบอกแต่ ว, วิธีทําเอาอย่างเดียวเั่านั้นเราไม่ทําเขาบอกแล้วเราไม่ทํา อ่านแต่ฉลากยาแต่ไม่ยอมกินยาสักทีสคุณเขาบ อ, อกไว้หมดเลยยาขนาดนี้จริงเข้าไปโรคหายแต่เราก็อ่านอย่างเดียวเราไม่เอามากินไม่จะหายโรคได้ยังไงโรค ก, ก็ไม่หายโรค ก, ก็กาเริบอยู่เหมือนเดิมมันละอิเลียนจะเต็มหัวใจมันเดิมถ้าเราไม่เอาไปปฏิบัติได้ยินได้ฟังแล้วไม่เอาไปทำต้องฝึกเอานี่สัตว์เดรัจฉานก็ยังฝึกได้อย่างที่บอกนเราเป็นคนพูดภาษาคนก็รู้เรื่องพุทธเจ้าก็ บ, บัญญัติคาสอนมาก็เพื่อจะสอนคนสอนมนุษย์นี่นะไม่เอไปสอนสัตว์เดรัจฉาน อือทำไมเราไม่เอามาปฏิบัติน่ะสัตว์เดรัจฉานเขพูดภาษาคนก็ไม่ได้แต่ทำไมสอนเขาได้สอนให้เขาทำอะไรก็ทำได้เนี่ยเราเป็นคนแท้ๆทำไมทำไม่ได้มันไม่แย่กว่าสัตว์เดรัจฉานเหรอน่าไอสัตวเดรัจฉานเนี่ยอย่งที่ว่าที่ไปอยู่วัดธรรมสจิตรีสองเจ็ดออกพรรษาแล้วเดือนปลายเดืนธันวาที่เขาเอาหมามาฝึกในวัดธรรมสจิตรทหารหมาเขาทำ บ่วงให้มันแล้วเอาจุดไฟรอบบ่วงแล้วก็ไฟลุกอยู่มันก็กระโดดลอดบ่วงขึ้นเครื่องจิตของเจ้าแจ๊กเจ้าจ๊กไปเห็นไหม็นเขาฟอนไหมเข้าฝึกได้มันพูดภาษาคนก็ไม่เป <mat ull bar> <mat ull bar> <Shak> ็นนะทำไมมันได้ไปนั่งดูก็เออได้คำมะขึ้นมาหมาเขายังฝึกได้สัตว์ใดยสารกูมาบทเป็นผ้ากูกินข้าวชาวบ้านหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วกูฝึกไม่ได้กูไม่ง้ไปกวาหมาอยู่เลื่องนี้ยังสู้หมาไม่ได้อีกอย่งเงี้ยคิดขึ้นมามันเป็นธรรมะหทดถ้าเราอันนี้ เราเป็นคนแท้ๆคำสอนพุทธเจ้ากับบัญญัติเพื่อจะมาสอนคนสอนมนุษย์นี่ไม่ได้บัญญัติให้ไปสอนจัตเดริญฉานแต่ทําทไมเราเป็นมนุษย์เราไม่เอามาปฏิบัติเอ่าถ้ามาปฏิบัติมันก็ได้ผลทุกคนนั่นแหละสัตเดริญฉานก็มันพูดภาษาคนไม่ได้ทําไมเขาสุกมันได้อะก็อยู่ที่เราเนาะเราจะทําหรือไม่ทํามันอยู่ที่เราหมดมันไปโทษใครไม่ได้หรอกคาสอนพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้หมดแล้วท่านกับตถาคตเป็นแต่เพียงพู้ คีย ท, ทางให้เนี่ยแล้วเราจะไปหรือไม่ไปมันเรื่องของเราท่านก็ไม่มาทุกมันเดือดร้อนอะไรกับเรานะอุบาจันท์ก็เหมือนกันท่านก็บอกคีย์ทางให้แล้วเราจะไปทางไหนขึ้นสวรรค์ลงนรกจะไปอันไหนจะพาบุดพ้นจากกิเลสมันะท่านก็บอกหมดแต่เราจะเอาไม่ไม่เอามาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเหมือนกันอยู่ที่เราจะเอาหรือไม่เอาจะรักษากิเลสไว้กลัวกนีอจะสงสารกิเลสกลัวกิเลสไม่มีลูกน้องขี่คอยอยู่งั้นมันก็ไปไม่ได้นะ แล้กิเลสมันเคยสงสารเราไหมนมันตับมันเจ็บให้โกรธก็ต้องยีบยิ่งไปโกรธให้มันอยู่นั่นอันเดิมจะไปสงสารอะไรมันไม่สงสารตัวเองหรือมันตับมันเจ็บจนไหนก็พอใจเป็นขี้่ารับใช้ตามที่เขาสั่งอยู่ตลอดจะเป็นขี้่าไปถึงไหนไม่เข็ดไม่หลาเลมันมีใครสูบบ้างหรือเป็นขี้ข่ากรทุกทั้งนั้นเลยเป็นขี้ขกิเลสมันตับมันเจ็บให้โกรธให้เกลียดให้รักให้จังไม่ชอบขี้หน้าคนนั้นคนนี้นะ มันเป็นอย่งเรื่องของกิเลสมันไปแบบนั้นแต่ถ้าเรื่องของทำมันไม่ไปมันสั่งให้ไปโกรธเกลียดรักทังใครก็ไม่ไปเอากลับมาเนี่ยไม่ไปเป็นขี้ข้ามันทุกข์ก็ไม่นี้แล้วทำไมเดีเป็นขี้ข้ามันก็ไม่ทุกข์พอไปเป็นขี้ข้ามันก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละแล้วแต่เขาจะสั่งเขาสั่งยังไงก็ต้องทำตามคําสั่งเขาเป็นขี้ข้าเขา ไม่สุขตรงไหนเป็นขี้ขาง ม, มีใครสุขหรอกของเป็นอิสระเป็นไทยไม่ใช่เป็นธาตุถ้เป็นไทยเป็นอิสลามจึงจะไม่ทุกข์อยู่ในการควบคุมของกิเลสเนี่ยเราเป็นอยู่ในการควบคุมของกิเลสแล้วแต่มันจะสั่งการสั่งงานให้เราทําอะไรก็ต้องทำตามที่มันสั่งเพราะเรามันควบคุมเราอยู่มันก็เป็นอือแต่เราเป็นอิสระแล้วก็มาควบคุมไเราไม่ได้ เาเหนือกิเลสเรื่มึงมาควบคุมอะไรเราไม่ได้แล้วก็เป็นอิสระจากกิเลสนมั้ยนะทำไงก็ได้สบายยิงเดินนัง่งนอนไหนก็สบายหมดไ่ไปทุกข์อะไรก็งั้นเป็นอิสระนะเป็ น, ม, นมันเป็นไทยแล้วมันไม่ได้เป็นธาตมันกะ็สบายหมดนะไม่มีใครมาสับมาเค็มคอควบคอคุอคมมันแต่ก่อนนะนสบายนะจะเอาทุกข์มาจากไหน กิเลสไม่ได้ควบคุมเราแล้วเราก็ควบคุมกิเลสขี่คอกิเลสอืมเขินขี่คอกิเลสสับเครีมันบ้างทีนี้เราปล่อยให้มันจับเครียดมานานแนละ้วมันจะสบายแนละ้วท่านไรู้จะเอาทุกข์มาจากไหนอีกไม่ได้เป็นขี้ข้าใครไม่ได้เป็นทาสใครแนละ้ว ม, มีใครสับใครเครีแล้วก็สบายเป็นอิสระอนั่งก็สบายนอนก็สบายทําอะไรก็สบาย ไม่ได้ยากอะไรตรงไห น, นมันก็ยากอย่างที่ว่านั่นแหละสงสารกิเลสกิเลสไม่มีขี้ข้าไว้ขี่คอมันเลี้ยงไว้ขี่คอไปสิเออสงสารมันเดี๋ถ้าเราหลุดพ้นไปจากมันแล้วกิเลสมันจะได้ขี่คอเราอีกหรือยังสงสารเป็นห่วงเขาอยู่นะมันก็เป็นให้ไม่รอดถเป็นงนั้นะ <c oughs> แต่กิเลสมันไม่ได้สงสารเรานะเราปสงสารกิเลสแต่กิเลสไม่สงสารเรามันจับมันเชด ง, งันขี <c oughs> น้ข้า เราจะไปสุขตรงฆ์แล้วจะทำไมถึงจะไปพอใจทำงานให้มันเนี่จะไปรับแท้เขาไปถึงไหนจะเป็นขี้ข้ารับแท้เขาไปถึงไหนไม่อยากจะเป็นอิสระจากกิเลสบ้างเหรอม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะมันหมดเจอทางตันไปซะแล้วมันหมดอะไรที่จะพูดไปแล้วมีเท่านั้น ก็เราเสียดายกิเ็ดอยู่น่ยังเสียดายยังอะไรอาวรณ์อยู่กลัวไม่มีใครสี่คอก็ไม่มีใครสับใครเข็ดโดนเขาสับเขาเข็ดจนเคยชินเดี๋ยวก็จะเหงามีใครสับใครเข็ดไม่ให้โกรธไม่ไม่ได้มีคนสั่งให้โกรธก็จะเหงาอีกล้วไม่มีใครสั่งมันเคยชินซะแล้วโดนเขาสับเขาเข็ดจนเคยชินก็จะเหงาอีกแล้วไม่มีใครสับใครเข็ดก็เลยเลี้ยงไว้เลี้ยงให้มันสี่คอไว้อย่างนั้นทุกข์อยู่นะแล้วก็มาบนทุกข์สิบน เพรคนนั้นแหะมันทําให้กูทุกข์เพราะคนนั้นมันทําให้กูโกรธอยู่นั่นนะไมเพียงโทษเขาอยู่นั่นแต่ไม่โทษจิเรียดในใจตัวเองหรอกพอเลี้ยงมันไว้เสียดายมันนี่แหละมันไม่เพียงโทษตัวเองมันไม่จับกิบตัวเองคอยจะไปโทษคนอื่นเพราะจะไปโทษคนเพราะมันคนนั้นเพรมันคนนี้นะทำให้กูเป็นอย่างนี้ไปแล้วจิตเรียดสนุกขี้คอการเป็นขี้ข่าจิเรียดจะยืดยาวไปไม่จบไม่สิ้นมันสับมันเฉกอยู่นั่นะเกิดมาว่าอะไรก็เป็นขี้ข่าเมื่อนนั้น มันสับมันเจ็บอยู่ตลอดไม่มีโอกาสที่จะเป็นอิสระจากมันได้มันน่าสลดสงเวชนะคิดแล้วมนน่าสลดสงเวชเพื่อเพลอนกับการเป็นขี้ข้าให้เขาสับเขาเคี่ยกมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของมันเรยว่าไงเลือดมันสนุกแล้วให้เขาสับเขาเคี่ยนสนุกใช่ไหมแล้วกน้าตาเห็นมันไหลอยู่เรื่อยนี่พาสับเค่นมาหน้าดำหน้าแดงอย่าง แมันสุกตรงไหนอ่ะถ้าว่าสุกมันกับน้ําตาทําไ้ไหลหน้าทําไมแดงทำให้ตัวสั่งนั้นงกไปงั้นถ้าว่าเป็นชีค่าจีเรียแล้วมีความสุขนะไอเขาสาพพอบโปรเคปแล้วมีความสุขมันสนุกตรงไหนถ้าเห็นว่ามันไม่สุกก็รีบมีสติเข้าไปพุทธสติเข้าไปมีความรู้สึกตัวเข้าไปา ต, ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับอย่เงี้ยทำทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างเงี้ยเอามันจะไปไหนจีเรียดมันจะหนาขนาดไหนทนอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเราทําขนาดนั้นกิเรียดทิ้ตายหมดนะ รีบิีบลงจากคอเราไว้ปันหมานั่นนะใครจะว่าไปอันนี้วิ่งลงจากคอแล้วแล้ ว, ล ว, ลวเราเลี้ยงมันไว้นะสนุกขี่คอมีขี้ข้าไว้ขี่คออีกนานสนุกซับสนุกเข็งการเกิดตายมีที่สิ้นสุดนะเป็นะกานเป็นขี้ข้ามีมีที่สิ้นสุด ต, า, ดตายข้ากองกิเลียดอยู่นี่นะเกิดมาชาติหน้าออมาเป็นขี้ข้ารับใช้อีกมันก็น ขี่พอมาซับมาเขตหยุดนเป็นวัฏจักรอยู่มันออกจากมันไม่ได้แต่ยังเสียดายมันอะไรแอวันมันอยู่นะมันเป็นแไม่ไม่อยากเป็นขี้ข้ามันก็รีบฝึกสติเข้าไปแต่รือนสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับรู้สึกตัวทั้งวันเดินไปไหนก็รู้สึกตัวทํานู่นทํำนี่รู้สึกตัวตลอดมันเถอไปเอามารู้สึกตัวมันคิดไปออกไปข้างน อ, อกเอามารู้สึกตัวอยู่ไงเอาละต่อสู้กิเลสเขาเรียกต่อสู้กิเลส ถ้าต้องมีวันชนะหน่อยแต่ใดที่ยังมีการต่อสู้มันเดียวันที่จะชนะกิเลสมีวันที่จะเหนือกิเลสแต่ถ้าเราไม่ต่อสู้มันมันก็จูงไปไหนก็กลาากดึงไปไหนก็ไปก็มันทั้งวันแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นอิสระเราไม่ต่อสู้มันเลยสนุกเป็นที้ข้ามันแต่กะทุกนยแล้วก็มวนทุกเสียดายอยู่เสียดายเขาจะไม่ได้เกิดมาเป็นี้ข้ารับใช้กิเลสอีกอยู่มันจะไมีใครช่วยได้นะ ก็หมดเท่าน so ั้นไม่จะว่างไงก็หมดเท่านั้นเป็นโมฆะเขาเรียกว่าโมฆะบุรุษถ้าเป็นบุรุษโมฆะบุรุษเป็นสตีก็โมฆะสตีเกิดมาเสียชาติเกิดไปชาติหนึ่งเกิดมาให้เป็นพี่ข้ารับใช้กิเลสขาดคุณไปชาติหนึ่งเกิดมาตายริ้นเปล่าแต่ก็เหลือเสียชาติเกิดแทนที่จะได้กําไรเออจะเหนือกิเลสไปเรื่อยๆมันก็ไม่เหนือให้เพราะมันมีการต่อสู้ กีเดตนี่แต่ให้มันรากมันดึงจมูกไปเม่ทุกไม่จบไม่สินนะ้นก็ต้องทำเอาก็ได้ยินได้ฟังมาจนพอแรงแล้วหรอแต่จนเบื่อไม่อยากจะฟังแล้วหรอพูดถึงเบือ่อหอเบื่อพูดไปพูดไปมันก็เท่านั้นคือวิธีของลพ่อเนี่ยเป็นบัตรยุ่งมือแลนวอิทธิธรรมอย่าง ห, หลวงพ่อเนี่ยหราบ้าน ไม่ไม่ไม่ต้องบริกรรมแล้วเอาเอาเอาเอ่อเอามาความมีความรู้สึกตัวอแต่ท่านไม่ไม่ไม่ไม่พูดเรื่องสตินะไม่ไม่ไม่ได้เอ่ยว่าสติเลยเอาเอาเอาความรู้สึกเออมามาอยู่ว้านที่กายที่ตัวของเราเนี่ยเวลาเราตื่นนอนเจะเข้าห้องน้ําอะไรก็กดให้ให้มีอความรู้สึกแต่ท่านไม่ไม่ไม่ไม่ว่าให้มีสตินะให้มีความรู้สึกอเ พระอาจารย์ก็ทําตามท่านแต่แต่มีมีความมุ่งมั่นว่าเออท่านเพราะว่าพระอาจารย์ก็ทํามาหมดทางแล้วลองลองลองทําแบบหลวงพอ่อดูเอ่านั่นแหละย <29, 3 S 2> ี่สิบเก้าพันสามที่ทำมาที่ทำมาคือๆๆไปไม่ไม่ได้แล้ว <c oughs> มันมันมันมันมันมันไปต่อไม่ได้อือ <c oughs> พอดีเหลวงพอ่อมาแนะนําให้เอ่นั่นแหละก็ทําอยู่เอทําความรู้สึกอยู่เจ็ดวัน เหมือนเหมือนเหมือนโยมโชเฟอร์นี่พูดมันมันมันจะรู้อยู่ที่กายมดเอราจะเข้าห้องน้ำเราจะลุกนีกเอเวลาลุกนี่แล้วรลเราเราจะไม่ได้คิดไปที่ประตูห้องน้ํำนะเราอยู่ที่ตัวเราเลยนี่แหละมันมันคือสติตั้งมั่นทีนี้พอสิบห้าวันก็เลยมาคิดว่าโอ้หลวงพ่อให้ให้ให้เราฝึก อ่าสติปัฏฐานสี่อืาอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ะอ่าทั้งสี่อย่าง<ย>ทีนี้หลวงพ่อย่อนย่ อ, อมาว่ามีแต่กายกับจิตอ่านั่นแหละเราเราอยู่ๆๆที่กายแล้วทีนี้เออเราเราอยู่ที่กายแล้วแล้วมีความรู้สึกอยู่ที่กายเราแล้วเอ่าทีนี้เอ่าพวกที่เป็นปรุงแต่งความคิดต่างๆนี่มันอสศัยกายเกิดเออมันก็เกิดอยู่ที่กายนี้แล้วเราเนี่ยหูได้ฟังตาได้เห็นนี่ มันมันดึงเข้ามาปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งอยู่ที่กายเราออประมาณสิบห้าวันมันก็รู้ทันความคิดทีนี้เออก็คิดอยู่ในกายเราเนี่ยเพราะว่าสติเราตั้งมั่นอยู่ในกายแล้วเออ่ามาีหลายจุดว่าโอ้หลวงพอ่อท่านไม่ไม่ไม่พูดเรื่องสติเลยนะเพราะอาจารย์ก็อ่าไม่เอ่อ ไ, ไม่ได้เคยได้ยินว่าฝึกสตินะมามามาลู้เองว่าหลวงพอ่อเนี่บอกเราฝึกสติประฐานสี คือเป็นเอาเอากายนี้เป็นฐานเราเอากายอยากของเรานี to however, ้เป็นฐานก่อนเออที่เป็นความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดอยู่ที่กายนี่แหละมันจะไม่ถ้าถ้าถ้าไม่จิตส่งนอกนะเออถ้าจิตสงนอกแล้วไม่ไม่ไม่รู้เออทีนี้พอสติตั้งมั่นแล้วความคิดปรุงแต่งมันมันมันก็เกิดอยู่ที่กายของเราอืมแต่ก่อนมันมันไม่ได้เลยส่งไปอดีตไปอนาคตเออความคิดเนี่ยหยุดหยุดยุดตรงตรง ตรงหัวเลยที่เราคิดไปหลับตาไปคิดไปอดีตนาพวกที่เราเคยผ่านมาเนี่ยแหละไม่อยู่ในปัจจุบันเออในขณะที่เราอยู่ผมมาฝึกนี้มันมันมันอยู่ในปัจจุบันทุกขณะเลยเดินไปไหนทําอะไรนี่แหละคือคือคือปัจจุบันออปัจจุบันอาการพอลู้ท่านความคิดปรุงแต่งแล้วว่ามันมันออกมาจากไหนเออมันออกมาจากไหนแล้วก็คือผ่านไปมันมัอนยอมว่า รู้รู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยปล่อยวางนี่แหละที่พุกุบาอาจารย์ปล่อ ย, ายว า, อยางผ่านผ่านผ่านไม่เอามาเป็นธรรมลมไม่ไม่เป็นธรรมลมเพราะว่ามันสติตัวนี้อันรู้ทันแล้วเพราอว่า ร, ร, รู้รู้ทันความคิดถึงจะสศกจะทุกข์มันมันเกิดอยู่ที่กายเรานี่เราก็รู้ทันอ๋อมันมันเป็นอาการเออเป็นอาการอของเกิดการเกิดดับเออ น, นี่แหละ ที่ท่านว่ามีมีมีสติอรู้ทันอาการของการเกิดดับอืที่เราได้ยินครูบาอาจารย์ว่าเออขันห้าขันห้าเออราก็อยู่ในกายแล้วอพวกเหลวงพ่อให้ให้ฝึกอยู่ที่กายเราก็มีกายแล้วอยู่ในขันห้าเออเวทนาความสุขความทุกข์ความเจ็บปวดก็ก็อาศัยกายเกิดทีนี้เอจิตอที่ว่าจิตทั้งขันที่ปรุงแต่งคือความคิดของเราเนี่หยคิดสุขคิดทุกข์ นี่คิดอดีตอนาคตนี่ก็เกิดอยู่ในกายเราอืทําทํา ท, ที่ปรุงแต่งว่าเอเป็นบุญเป็นบาปเป็นความดีความเลวมันมันก็คิดอยู่ตัวนี้อคิดอยู่ในวงของกายอืมันไม่ จ, ไมจะไม่จะไปคิดไปไหนนั่นแหละตัวนี้มันก็เลยรู้ทันเลยรู้รู้ทันก่อนความความคิดปรุงแต่งตรงนี้ <c ười> อ่อาเ <c ười> พราะพอการเรียนหลวงพ่อว่ารู้รู้รู้ทันก่อพวกความคิดแล้วหลวงพ่อ เออท่านก็ให้รู้เฉยๆทีนี้นี่แหละออออพระาจารย์เอประวิตยว่าเอสติผู้รู้ก็ก็คืออตัวนี้แหละสติผู้รู้เอผู้รู้ก็คือสติสติก็คือผู้รู้ผู้รู้ไปเฉยๆแหละทีนี้แต่สติกับผู้รู้ก็ไปด้วยกันเมื่อพอพอรู้ไปเฉยๆได้อมันจะเป็นอตัวอัตโนมัติของมันไม่ไม่ไม่ไม่ได้บังคับบัญชาอที่หลวงตามหาปว่า สติอัตโนมัติเอสติอัตโนมัติมันมันจะทํางานของมันเองทีนี้อืมนี่แหลวงพ่อว่าถ้าถ้าไม่ถ้าถ้าไม่มีสติก็มีมีปัญญานี่แหละหลวงพ่อถ้าสติเราตั้งมั่นแล้วปัญญาเราก็เกิดทีนี้มันก็ไปด้วยกันออสมาธิก็ไปด้วยกันเราเราเราจะไม่จะจะไม่แยกนะว่าโอ้ต้องทําสมาธิก่อนต้องทําสติก่อนต้องทําปัญญาก่อนพอสติเราตั้งมั่นแล้ว เออทั้งทั้งสองอย่างนี้ก็มารวมกันนั่นแหละทีนี้ก็รู้ไปเฉยๆได้รู้ไปมันก็สว่างจิตใจของเรามันก็อันปรุงแต่งมาอะไรมันก็มันก็ว่างแ่ะทีนี้ว่างว่างจากการปรุงแต่งก่อนอทีนี้เราเราเรามารู้รู้ไปเฉยๆประมาณอ่าเดือนครึ่งทีนี้ก็สติปัญญานี้ก็ ก็มัามาอปล่อยวางผู้รู้อีกว่าโอผู้รู้อยังยังเป็นสังขารอยู่เออยังเป็นสังขารการปรุงแต่งรู้รู้เฉยเฉยนี่ยังเป็นสังขารปรุงแต่งอยู่เอสติปัญญาตรงนี้ก็ก็ปล่อยวางผู้รู้ได้อืก็อยู่เฉยเฉยนี่แหละว่ะแต่แต่ต้องทําให้อผู้รู้นี่เด่นชัดขึ้นเด่นเด่นชัดอยู่ในกายนี่แหละอือยู่ในกายของเราเนี่เพราะเออ ความรู้เด่นชัดถึงถึงถึงถึงเจอบางผู้รู้ได้อืองนีนั่นแหละพระอาจารย์ก็กลับจากอินเดียมาก็ อ, อยู่สำนักที่อังกฤอูออ่ทองแต่ตอนนั้น ส, สติมันอัตโนมัติมาแล้วจาก อ, อินเดียมาแล้ว<อ>ก็มาทำที่สำนักประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละมึก็ รู้รู้แบบไม่มีตัวตนเ อ, อ่นี่คือมันก็เป็นเข้าพระพุทธเจ้าว่าเออจิตเอก็ไม่มีตัวตนเอผู้รู้ก็ไม่มีตัวตนนี่แหตะที่พระอาจารย์ทําพราว่าสติตัวเดียวอสติตัวเดียวนี้ทําให้มีปัญญาปัญญารอบรู้ในในในใ น, ใ น, ใ, น, ใ, น, ใ, นในกอง สังขารของเรานี่สติตัวเดียวออืยอดพระกันพระ ก, กันไตพี่โดก็คือสตินี่เหมือนหลวงพอ่อเขียนไว้หน้าวัดนี่แหละเอสติเป็นยอดแห่งธรรมนี่นี่แหละ อ, อ, อาจารย์นึงได้ลึกซึ้งกับคําว่าฝึกสตินี่แหละออือถึถงว่าะถ้าไม่ได้หลวงพ่อแนะนํานี่ก็ ไม่มีที่ไปไม่มีที่จะรู้นี่แหละก็เลยได้หลวงพ่อแนะนำทางทางเดินให้นั่นแหละมันก็เห็นผลที่รพระพุทธเจ้าว่าถ้าถ้ามีทางเดินแล้วก็มีทางผลก็คือมีมัดมีผลนั่แหละผลก็เกิดกับเรานี่แหละเกิดกับตัวเราผู้ปฏิบัติแต่ว่า ต, ต, ต, ต้องต้องต้องทำสติให้ต่อเนื่องมีความมุ่งมั่นอยู่ อาจารย์ก็อยู่ในใจนะ่ะเลาเระบวดมาตั้งยี่สิบเก้าพรรษาสามสี่พรรษาแล้วยังต้องมีแนทางพ้นทุกเนี่ยนี่แหละมันมันมันต้องมันต้องตั้งไว้อยู่ในในในจิตของเราอยู่เออต้องการพ้นทุกนี่แหละพอหลวงพ่อมาเอแนะนําเรื่องสติไม่มีความ ล, งลัลงเลสงสัยเลยเออนี่แหละไม่มีความลังเลสงสัยทําอย่างที่ท่านแนะนําทุกอย่าง พวกความหรงเลยสงสัยนี่จะเป็นกั้นทางปฏิบัติของเรานี่แหละว่าถ้าไม่ได้หลวงพ่อแนะนำพระอาจารย์ก็ไม่มีทางไปนั่แหละที่พูดให้โยมฟั ง, ง, งพอเป็นคติที่ได้หลวงพ่อแนะนำนี่แหละ <c oughs> ให้ใหลวงพอ่อพระอาจารย์เสริมต่อวัด ผูพูดถูกไหมครับเออถูกนั่นแหละเออนั่นแหละครับอ่าพอฝึกสติไปพอฝึกสติไปเรื่อยๆมันก็สะสมสติกําลังสติมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นสมาธิจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นมันก็ทันความคิดนั่นแหละทันความคิดเอมันคิดมาเกิรู้ทันมันน่ะว่าเห็นมันคิดก็ได้ แต่ก่อนเราไม่เห็นมันคิดเพราะเราไม่รู้ทันความคิดอย่างนี้เพราะเราไม่มีสติมันก็เลยไปกับความคิดทั้งวันกระโดนความคิดหลอกทั้งวันมันคิดมาไงก็เชื่อความคิดหมดเลยมันคิดอะไรมันก็เชื่อมันทุกสิ่งอย่างนั่นแหละเพราะเรามันยังไม่มีสติรู้เท่าทันความคิดมันก็หลงไปกับความคิดอ่ะออืมันมันก็เลยทําให้เราทุกข์เพราะเราไปไปโดยที่เราไม่มีสติเนี่ยมันคิดไปโดยที่เราไม่สติไม่ทันมันมันก็เลยทุกข์ ถ้าเราตั้งใจทําอย่างเงี้ยมันก็พึไไดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ตั้งจิตตั้งมันม่นน้ำเงื่อนทันความคิดเองเแหละก็อยู่ที่ความต่อนเนื่องนหะความต่อนเนื่องของสติฝึกสติให้มันต่อนเนื่องรู้สึกตัวให้มันต่อนเนื่องแั้วกม็มีอะไรมาถ้าเราทําไม่ต่อนเนื่องช้านั้นก็ช้าได้ผลไหวได้ผลช้าเห็นผลช้าแต่เราทําไม่ต่อเนื่องถ้าทํา ตอเนื่องไปเห็นผลไปต่อไปก็อย่างเขาว่ามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดจะทําอะไรขยับเยืน่นอะไรมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลงังมันเป็นปัจจุบันรู้อยู่ตลอดไงพูดอยู่มันก็รู้ว่าเป็นปัจจุบันอยู่อี่เง้บอกกำลังพูดนี่มันก็จะเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดจากนี้สติรู้ตัวทั่วพร <c oughs> ถ้าเราไม่ทําต่อเนื่องมันก็ไม่เป็นง่ายๆนะไปกับความคิดนะหลงไปกับความคิดทั้งวันโดนความคิดหลอกทั้งวันแล้วก็ทุกข์ไปกับความคิดแล้วก็ทุกข์ อ่าอิทะเลาะเบาแวงอะไรกันก็เพราะเราไม่ทันความคิดนี่แหละอืออกไปข้างนอกก็ไปเพยงโผลกันจับคิดกันนั่นแนหะเรื่องของเรื่องกันเลยทให้ทุกข์เกิดขึ้นนะกระทบประทั่งมันก็ทุกข์แล้วก็เพราะทัศน์ไม่ทันความคิดนี่แหละไม่มีอะไรฝึกให้มันทันความคิดไม่ได้ยากอะไรกฝึกได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับก็บอกแล้ววิธีฝึกทำไงผมเออมันก็ไม่ใช่ของอยากอะไรเงินบาทเดียวก็ไม่ต้องเสียทําได้้งแต่ตื่นนอนจนหลับอือ<ม>อืม ไม่ใช่จะต้องคอยนั่งหลับตาอย่างเดียวเึงจะว่าภาวนาอ่าหลวกพ่อะอืแล้วอย่างรู้จึงทำงานเนี่ยตื่นาจึงไปทำงา น, นอืมก็ไม่ได้คิดอะไระอมก็ทำงานกับที่ในสวนที่เราทำอืมเดี๋นี้คิดคิดว่าเป็นสติไหมฮะอ๋อถ้าถ้ารู้ทันความคิดมันก็เป็นถ้าอยู่กับงานที่ทามันก็เป็นสติจะทาอะไรก็รู้จับอะไรก็รู้จับอนบันนี้เกิมาก็รู้วางลงก็รู้เนี่ยมันก็รู้เนเป็นสติหมดจะส่วนมากที่มันไม่มีสติเคยจับอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจับมังคิดไปไหนก็ไม่รู้น่ มันไม่รู้ว่าเป็นปัจจุบันแบบนี้อามันต้องคิดอยู่ตลอดนะความคิดมันไม่คิดไม่ไม่ใช่มันไม่คิดนอกจากจะจิตรวมถึงอัปปนาสมาธิน่ะมันถึงจะไม่คิดแต่ถ้าจะถาบได้ที่ยังมันเป็นปกติมันจะคิดเข้ามันอยู่ตลอดมันหยุดไม่ได้หรอกความคิดถ้าเราจะหยุดได้ก็คือถึงอัปปนาสมาธินี่มันจะไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งเพราะมันไม่มีอุปกรณ์ที่มันจะปรุงแต่งได้เพราะว่ากายอันนี้ก็ไม่มีมันหายหมดเหลือแต่รู้อันเดียวเนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้เนั่นเป็นอย่างนั้นคือมันถึงจะไม่คิด ถ้าเรายังเป็นอย่างนี้อยู่มันคิดหมดแล้วแะแต่เราจะทันความคิดหรือเปล่าเพราะเราไม่ทันความคิดเราก็ว่าเราไม่ได้คิดอนอนไม่หลับแต่มันคิดมากแล้ว้องไม่ไม่ได้คิดมากมันไม่หลับนอนไม่หลับมันไม่ได้คิดเห็นไหมมันไม่รู้เรื่องเราถ้าคนไม่มีสติมันไม่ทันอยู่แล้วความคิดมันคิดเราก็ไม่ทันเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่ได้คิดอย่างเงี้ยเราก็ว่าเราไม่ได้คิดอยู่งี้อย่างนั้นแหละมันนอนไม่หลับคิดมากก็มั้งไม่ได้คิดแต่มันไม่หลับเฉยๆเห็นไหม มันนานขนาดไหนมันถึงไปทันความคิดนะไม่รู้ว่าผมเป็นเกษตรเอออคือเราผ่านชีวิตแบบวัยรุ่นมากินเหล้ามากินเหล้าดกินเหล้ามาเมาเผมก็งงว่าเออเวลาเราเมาเรายังมีสติสำหรับผมนะผมเมาผมก็มีสติเอ้ยทไมคุณบอกอ่ะแกู ไม่รวกทำไมไม่ได้มันคือผม ท, ท้ายว่าผมดูมารู้สึกว่าแต่ผมไม่รู้แนวทางมันพรามันเป็นยังไแต่พมมันรู้เออดูความคิดดูกายอย่างเงี้ยเออมันก็เข้าแบบที่ผมพอสอนเดี๋ยวนี้ก็รู้ทันเวลามันคิดมาก็รู้ทันละ อะไรผ่านมาไม่รู้ทันมันก็คล้ายๆว่ามันทำมาเรื่อยๆมันแค่เป็นนิสัยด้วยแล้วก็รเราไม่อยากไม่อยากจะรับความทุกข์เข้ามาทิ้งาปุ๊บมันก็รู้มันก็ปล่อยไปทิมาปุ๊บรู้มันก็ปล่อยไปน่หมายถเราทุกข์น้อยลงเยอะครับถ mm ึง hmm. ขนาี่ว่าเราคนไปอะไรเราก็มีความสุขอยู่ทุกวันนี่แหละ mm hmm. ตั้งใจทำมานี่เหลดเด็ดปีหนึ่งแล้วเนาะถ้าเอาจริงๆนี่ตอนที่มันเห็นผลจริงๆนี่ประมาณสักเดือนแรกเราบอืกเดือนแรกที่ผมที่ผมเล่าให้ฟังกับมอไซค์ไปสติมันอยู่กับตัวมอสเลยไม่ต้องไปจับจุดเราสติมันอยู่ตรงไหนของร่างกายเนี้เรารู้หมดทั้งร่างกายรู้ตัวตัวพร้อมรู้ตัวรู้หมดเลยทํานขับมอรู้หมดเลยเราไม่ต้องไปว กูรู้ตรงแขนตรงนี้กูรู้ตรงนี้รู้หมดเลยคอับรู้ตัวตัวกล้อมันรู้ตัวัวกล้อมที่มันก็แน่นไปหมดแวโอ้ยอย่างี้แล้วความีสติตอดนวอีกมันหนึ่หลงพ่อก็อยงผมว่าหลวงพ่อก็โทรมาเป็นยังไงบ้างนยังไงพ่อหเ้หมือนลงพ่อท่นรู้ไงเป็นยังไงบ้างไงบ้าะ ก็ล่าให้ฟังเออมันโออัศจรรย์อัศจรรย์ใจมันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนั้นกัลืมไปแล้วครับตอนที่ถามไปคืว่าเป็นไงบ้างแล้วเป็นยงไงตอนนั้นเป็นยงไงละคือมารู้ทันหมดเหรอพ่ออะไรมารู้ทันหมดครับอารมณ์อะไรผ่านมารู้ทันหมดรู้ทันหมดเลยรู้ทันรู้ทันมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เราแค่เราไม่นับครั้งไม่เห็นว่าวันนึงเราคิดอะไร วันหนึ่งเราเผือกี่ครั้ง <c oughs> ใช่ไหมครับอ่าเรื่องมันไม่เผือแล้วเราเผือกี่ครั้งนับได้เลยว่าหรือ <c oughs> วันหนึ่งเราจะรู้เลยว่าแต่เราไม่ได้นับครั้งที่เฉยว่าันหนึ่งเราคิดเรื่องอะไรบ้างเรารู้เรื่องที่เราคิดทุกเรื่องเลยที่เราคิดขึ้นมาแต่เราก็ไม่ไม่เอาออกมาเนี้ยเราก็รู้ที่เฉวมหลวงพ่อทำแล้วก็เห็นผลอย่าง <c oughs> นี้ มันก็บเบาลงแล้วใช่ไหมแต่เป็นยังเยอะเยอะเยอะเลยละ่ะแล้วก็ไปยังมาไหนกบพักเราอย่างอาจารย์ตะที่มาด้วยเราก็ปฏิบัติ อ, อ, อย่างนี้หมดกันมีแรทั้งท้สองก็บวกมันนี้ก็ฟังไม่ลายลหร อ, อกผมให้ทาให้เป็นธรรมชาติที่สุดเราไม่ต้องไปเล่งหรอไม่ต้องไปพยายามแบบ ทุกคนมันก็ต้องแบบแรกๆก็พยายามหยุดความคิดเนาะของพ่อเนาะนี่แหละมันมันทุกมันไม่อยากให้มันคิดทำไมล่ะไม่อยากให้มันคิดยิ่งมันไม่อยากให้มันคิดทอะไรมันยิ่งคิดมันก็ยิ่งทุกข์ไปอีกเลยทีนี้เพราะเราไปฝืนมันใช่ครับมันคิดปล่อยให้มันคิดแต่เราจะใบกลับมันกลับมารู่เฉยะถ้าเรารู้เฉยได้แล้วนะแต่ถ้าเราอยู่เฉยไม่ได้เอากลับมารููตัวเหมือนเดิมนั่นนั่นแค่นั้นมันคิดไปกับม่เป็นไรคิดไปอีกเอามารู้ตัวอีก แต่เราไม่ไม่ต้องการให้มันคิดส่วนมากที่เราทุกข์ใช่พอมันคิดขึ้นมาเราก็ทุกข์เอามาคิดอีกแล้วกูไม่จะให้มึงคิดเนี่ยมึงทุกข์เพราะแบบนี้เพราะเราฝึกสวนธรรมชาติเราไม่รู้ว่าธรรมชาติเขาจะเป็นอย่างนั้นของเขาเองธรรมชาติต้องคิดนะนะแต่เราไม่อยากให้คิดมันเลยทุกข์ในเรื่องเรื่องไม่ใช่นี่เองถ้าเรารู้ว่าคิดไปเรื่อมึงเอามารู้ตัวมันเดิมอย่างงมันก็ไม่ทุกข์นะเออปล่อยให้มันคิดไปเอากลับมารู้ตัวปล่อยให้มันคิดไม่ใช่เราไปกับมันนะรู้อรูอไม่คิดเอากลับมารูตัว แต่ถ้ารู um. enfin er Never, well ้เฉยๆมันคิดมากกับรู้เฉยแค่นั้นเองทาแค่เนี้มันมันไม่ต้องไปเครียดอะไรกับมันเลยมันจะคิดกับเรื่องของมันไม่ต้องไปทุกข์กับมันหรอกก็แค่เอามารู้ตัวกลับมารู้ตัวคิดอีกเอามารู้ตัวอีกเอย่าถ้าเราฝุดรู้ตัวอยู่นะแต่ถ้าเรามันคิดรู้เฉยเอามาคิดอีกกับรู้เฉยอีกคิดเรื่องไหนมาก็รู้เฉยอีกอยู่แค่เนี้มันไม่ต้องไปทุกข์อะไรกับมันไม่ต้องไปเครียดกับมันหรอกมันเป็นธรรมชาติของมันแค่นี้เราที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มันคิดที่เราทุกข์กันทุกวันเออิด จะยามห้ามไห้มันคิดพอมันคิดกระทุกเลยสิเนี่เอาคิดอีกแล้วเนี่ยมันมันไม่ทุกมันพ่อแบบนี้แหละทำเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยมันปล่อยเรื่องของมันมันจะคิดเอามารู้ตัวคิดขึ้นมาอีกเอามารู้ตัวอีกเนี่ยไม่ต้องไปเครียดนี่ต้องไปทุกอะไรกับมันเลยมันจะเป็นธรรมชาติของเขาน่ะเรียนรู้ธรรมชาติธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเราจะไปให้มันเป็นอย่างนั้นทีเนี้พอเนี่ยเราไปฝืนธรรมชาติเนี่เราไม่อยากให้มันคิดเนี่ยที่มันทุกนี่า อ่าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้มันอยากให้ต้องการเป็นอย่างที่เราต้องการไงอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการใช่ไหมอ่าน่ะมันไปฝืนธร <rock. S 1> รมชาติของมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็ทุกข์แล้วสีนี้นั่นอ่ะมันมันผิดมดเขาเรียกคนเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ย, <ang S 1> ยังเห็นผิดอยู่ยังไม่เห็นถูกเห็นถูกเออวามคิดเขาเป็นอย่างนี้เราก็เลือกมันมันคิดกินมาเอากลับมารู้ตัวอีกมันคิดไม่อีกเอากลับมารู้ตัวอีกก็แค่นี้ไม่ต้องไปทุกข์อะไรกับมันเลย ที่เราทุกเนี่ยแะมันไม่อยากไม่อยากให้มันคิดเนี่ยมันเครียดพี่นีคิดมาก็เครียดอีกล้วทุกอีกแล้วคิดทั้งวันอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติมันคิดไปก็เอากลับมารูที่เฉยน่ยถ้าใครลูที่เฉยได้แล้วใครยังรูที่เฉยมาแต่เอากลับมารู้ตัวเนี่ยรูตัวอีกมันคิดไปอีกเอามารู้ตัวอีกอย่างนี้ทำทั้งนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับมันรู้สึกตัวอีกทั้งวันไงทันมันอยู่ตลอดสึดไปมันก็ทันเอง่แรกเากับงานกงเขเดือนเดียวเขากั ทันแล้วนะสติรู้ตัวทั่วพร้อมขี่มันับไส่ใส่ที่เขาบอกมันสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในวงปัจจุบันแล้วจะทําอะไรอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมล่ะเขาเรียกลู้ตัวทั่วพร้อ ม, มเป็นอย่งนั้นฝึกไปเรื่อยมันจะรู้ตัวทั่วพร้อมเองอยู่ในวงปัจจุบันตลอดแล้วทำไอะไรมันจะอยู่ในวงปัจจุบันอเป็นอย่างนั้นไม่ได้ยากหรอกถจริงเขาอยากอยากมันไม่ยากถ้าทําต่อเนื่องมันไม่ยากมันไม่ต่อเนื่องไหละ พอคิดขึ้นมากระทุกอีกเพราไม่อยากให้มันคิดอ่นะก็มันเรื่องของมันมันจะเป็นธรรมชาติของมันมันจะต้องคิดไม่ต้องไปห้ามมันก็บอกแล้วมันคิดมาอีกเอามารู้ตัวอีกคิดทั้งวันก็เอามารู้ตัวทั้งวันก็แค่นั้นไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปห้ it, มามมันไม่ให้คิดฝืนธรรมชาติน่ะมันถึงทุกข์เขาเรียกเห็นผะิดไปฝืนธรรมชาติธรรมชาติเขาจะต้องคิด ความคิดเนี่ยหน้าที่คิดคุณคิดแล้วก็บุงระแต่งไปแต่พอถ้าเราสติเราดีมันแค่คิดขึ้นมามันดับแล้วมันมันไม่ได้ทันได้บุงได้แต่งไปชอบไปทังอะไรหรอกถ้าสติดีแล้วมันทันคิดมาดูสันกระดับคิดมาดูสันกระดับมันยังไม่ไปบุงเป็นเรื่องเป็นราวอะไรหรอกถ้าเราสติทันนะสติไม่ทันแล้วมันนึกเอาไปบุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวอิสติอันเดียวนะไม่ได้อยากอะไรสลับชอตช้อนอะไรวิธีเราจะทำหรือไม่ทำทั้งสิ้น ปล่อยให้เขาจูงจมูกไปทั้งวันคิดและอะไรขึ้นมาก็เชื่อมันหมดเชื่อความคิดหมดัรงนั้นนะโดนความคิดหลอกทั้งวันเนี่ยนะทุกข์เพราะความคิดเนี่ยะมันหลอกทั้งวันไปกับมันทั้งวันติไม่ทั น, ม, นมันก็สนุกใช้งานเราเนะี่ยเราก็ทุกข์เนี่ยเพราะเราไปกับความคิดไม่อยากให้คิดก็ทุกข์คิดที่กันมาก็ทุกข์จิตมีแต่ทุกข์ตรงนั้นไม่เห็นว่มันสุขอะไรเลย รูอว่างไงแมนบอกแล้วทาไงบัดนี้มันทุกวันนี้มันเป็นยังไงนี้มันคิดมาอะไรผ่านมาก็รู้ทันหมดมันมันมันทุกวันนี้มันคิดขึ้นมาตู้พอเรารู้มันก็ดับตัวเองหมดเลยเราไม่ต้องไปแก้ไปไขอะไรเลยพอมันรู้ขึ้นมา ไอ้พอเราคิดไปมาปุ๊บรู้ที่มันกดไม่เหมือนแต่ก่อนลยที่นี้ปันับเนี่ยคิดว่มึงหยุดเลยหยุดการพันเลยเราต้งเนั้นหยุดอนเหมือนถือสมบลังจะจ้องปลาได้เหรอมเสียบเดียวเลยโ่หน้ามัดเสียบเลยใส่ แต่วันนี้พอคิดมาปุ๊บพอเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเรารู้ทุกันก็มันก็จับมันก็แค่นั้นมันยังไม่ทันปรุงแต่งไปทุกไปสุกอะไรกับมันเลยใช่ไหมอ่าอย่างพ่อเราแบบว่มีมีสติก็คือว่าเราคิดเป็นเรื่องเงิปุ๊บเรารู้ทุกมันก็ดักแล้วเราก็มรู้ตัวเองรู้ตัวเองหมายถึงหมายเพราะว่าเราทําอะไรอยู่ตอนนั้น ยินอยู่ล้วก็รู้ว่าเรายืนทํอะไรนูเราก็รู้ไว้มันคือแบบตามธรรมชาติที่สุดแอืเป็นแบบธรรมชาติ <c oughs> เป็นแบบธรรมชาติที่สุดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กินข้าวอยู่เราก็รู้ตัวทำไปเรื่อยๆมันก็นั่นแหละมันเป็นเอยทำเรื่อยๆมันต่อเนืเอ่องมันเป็นเองไม่ต้องไปหวังผลนะ嗯嗯แต่ทุกคนมันต้องหวังผลทุกคนนอจริงๆหวังขนาดไหนมันก็ไม่เป็นอย่างที่หวังถ้าเราไม่ทำต่อเนื่องนะ มีแต่คาดแต่หวังไปแต่มันไม่เป็นให้เพราะเราไม่ทําไม่ตอนเรารู้สึกตัวไม่ตอนื่อแต่เรารู้สึกตัวต่อนื่องไปเรื่อยๆนะมันเป็นของมันเองหวังผลไม่หวังผลก็เป็นเองแต่มันก็มีหวังอยู่นะทคนก็ต้องหวังนะแต่ที่นี้ว่าเราก็ต้องทําด้วยไม่ใช่หวังอย่างเดียวเราก็ต้องทําอยู่ตลอดเวลานะเรามีแต่หวังแต่เราไม่ทําก็ไม่เป็นอะไรให้เหมือนกัน <S 2> <S 2> อยู่ที่ ความต่อเนื่องของเราเนี่ยสติต่อเนื่องรู้สึกตัวต่อเนื่องมันก็เป็นใบรู้เห็นเป็นใบเอาแล้วให้อาจารย์แคนเสริมก็ได้ก็อกาศเอาให้อาจารย์<ม>แคนเสริมถ้ออ า, า, อ, าอาจารย์กอบุริกรคือติดสงบก็สัวตีตัวเองไม่เง <ral> ียบจะไปทันรู้ทันอะไรนะมันก็ว่าตัวเองไม่คิดอยู่นั่นแหะมันคิดอยู่ตลอดเวลาความคิดเนี่ยมันไม่มีมันหยุดไม่ได้ มันเป็นธรรมชาติของมันก็บอกแล้วมันจะหยุดคิดได้ก็คือเนี่ยรวมถึงอัปนาสมาธิเนี่พราะว่ามันวางกายแล้วมันไม่มีกายมันไม่มีอุปกรณ์มันไม่มีเครื่องมือที่จะคิดได้มันคิดได้ก็เพราะมันต้องมีกายอย่างนี้มันถึงจะคิดได้ถ้ามันมีจิตรู้อันเดียวเนี่ยมันจะคิดไม่ได้เลยมันก็รู้อันเดียวอยู่มันคิดอะไรก็ไม่ได้นั่นแหะมันถึงจะหยุดคิดได้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นตราไปที่เรายังไม่เป็นอย่างนั้นมันมันหยุดคิดไม่ได้มันคิดตลอดเวลา มันคิดเราเกิดจะไปกับมันก็เอามารู้ตัวเนี่ยจับอันนี้ขึ้นกัรู้ว่างอันนี้ขึ้นกัรู้เนี่ยเอามารู้ตัวเป็นปฏิวัติวันอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายแบบนี้มันคิดไปเอากลับมาเนี่ยจะไปกับมันแช่นี่แหละก็ทําให้มันต่อเนื่องอย่างเงี้ยตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนะก็ทําแค่นี้จะไม่คิดยังไงความคิดมันคิดพระอรหันต์ท่านก็คิดทั้งวันอ่าแต่แต่ท่านไม่ได้สู้กับความคิดนะสังขารปุงแต่งมันคิดเข้ามันเองท่านไม่ได้ไปคิดกับมันหรอก ความคิดอันนี้มันหยุดได้ที่ไหนมันหยุดไม่ได้ก็มีถึงอัปปนาสมาธิอย่างเดียวมันจะหยุดได้าา น, นี่เข้าฌานอย่างพี่วานเข้าฌานจนหกตัวหายหมดเละเหลือแต่รู้อันเดียวนึ่งนะมันไม่คิดแล้วเพราะมันไม่มีเครื่องมือเนี่ยกายอันนี้ไม่มีแล้วมันเป็นแค่นันเหลือแต่รู้อันเดียวนี่นเขาเรียกถึงจะหยุดคิดถ้าาใจที่เรายังไม่เข้าถึงอัปปนาสมาธิมันคิดอยู่ตลอดเวลา <โ London. S 1> แต่เรามสติไม่ทันเราก็รู้เราก็ว่าเราไม่คิด อ่าสติไม่ทันถ้าสติทันมัรู้ตลอดเวลาเหมันคนนี้เขาว่ามันก็คิดทั้งวันแต่มันเข้าไม่ไม่ถึงไม่รู้ทันมันก็ไปแล้วมาสุดทันก็ไปดับใช่ไหมหละมันคิดตลอดไม่ใช่ไม่คิดมันต้องฝเป็นการฝึกอือโหก็ฝึกกินเลยอือพอเรารู้แล้วก็ดินเข้ามาอ่าจากที่ห่างๆมันก็ค่อยเข้าอ่าค่อยทีเข้าทีเข้าค่อยเข้ามาเรื่อยๆ น่นหละมันพดเข้ามาพดเข้ามาพดเข้ามาแคบเข้ามาแคบเข้ามาแต่พอมันคิดเราก็รู้ทุกอย่างจึงรูมันก็ดับไปมันจะเป็นอย่างนั้นผมไม่ใช่ว่ามันจะไม่คิดถามเขาดูที่มันอยู่คิดอย่าง้มันหยุดคิดไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นธรรมชาติครับนันก็บอกแล้วมันเป็นธรรมชาติเออมันจะไปหยุดคิดได้อย่างไรมันก็คิดอยู่เหมือนเดิมมันแหละถึงจะเป็นพระอรหันต์มันก็คิดเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ไม่มีใครไปทุกข์กับวามคิด พรความคิดมันไม่ใช่เราเนี่ยตอนนี้ความคิดมันเป็นเราเราเชื่อมันหมดใช่ไหมคิดไปไหนก็เชื่อมันหมดนะมันจูงจมูกได้ทั้งวันความคิดเนะี่ยคิดขึ้นมาก็เชื่อ ท, ทันทีใช่ไหมพอโน้อยใจกูก็ไปโน้อยใจเชื่อทไไันทนะีเลยเห็นไหมทําไมไปเชื่อมันเนี่ยทำไมไปกับมันเน่ยพรสติไม่มีถึงไปกับมันเข้าไปเป็นความน้อยใจกับมันเข้าไปเป็นความโกรธกับมันก็เพสะสะรสติเราไม่มีนะถาม land, oute, ้ามีก็รู้ทันเออมันคิดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันไม่ไปกับดับเนี่ยใช่ไหมอันนี้เราไม่รู้โกรธก็มันไปไปกับมันทันที ถ้ามีสติเห็นว่ามันโกรธก็รู้ว่ามันโกรธก็ไม่ไปกับมั น, มนก็ดับใช่ไหมอันนี้เราไม่ทันมันก็ไปโกรธต่อมันทันทีนั่นแหละเขาเลือกเชื่อความคิดอยู่ตลอดเวลาคิดขึ้นมาอะไรก็หมดเชื่อหมดเนี่ยเพราะอะไรเพราะสติไม่มีสติไม่ทันความคิดเราฝึกสติไปอย่างเนี้ยจนสะสมกําลังสติไปจนเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นความคิด จะทันความคิดแล้วก็ไม่ไปกับความคิดไม่คิดมาก็ไม่ไปคิดทั้งวันก็ไม่ไปกับมันทั้งวันอันนี้เราไปกับมันทั้งวันเพราะสติเราไม่ทันแล้วก็ว่าตัวเองไม่ได้คิดอืมก็มันคิดอยู่ทั้งวันมันหยุดไม่ได้หรอกความคิดมันเป็นธรรมชาติของมันก็บอกแล้วทีนี้เราอยากให้มันหยุดคิดเนี่ยมันก็ทุกข์แล้วทำไมเพราะธรรมชาตมันจะต้องคิดพอมันคิดขึ้นมาก็ทุกข์แล้อยากไม่อยากให้มันคิดเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์เท่านั้นเพราะมันจะต้องคิดเข้ามันอยู่อย่างนั้นยิ่งไม่อยาก ไปยิ่งทุกข์เลยจริงเพิ่มทุกข์เข้าไปอีกใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ตามการทํางานของเขาเราไม่รู้การทํางานของมันวงจรทํางานเพรามันมันจะต้องคิดอย่างเงี้ยปุ๊งแจงนี่ทั้งวันแบบนี้นะแต่เราก็ไม่ไปกับมันเท่านั้นเองอันนี้เราไปกับมันเลยเป็นอันเดียวกับมันไปเลยนะพอเราไม่มีสติทางความคิดมันก็ไปความคิดก็ไปทุกข์กับมันเดี๋ยวก็ไปดีใจกับมันเดี๋ยวก็เป็นเสียใจกับมันที่อยู่คนเดียวกับคิดเรื่อง คำขตลกขึ้นมากกยิ้มหัวเราะอยู่ไปน่มาบ้าอยู่ทั้งนั้นวันนั้นพรบ้าไปกับความคิดพาไม่ทันมันคิดเรื่องน้อยใจก็ไปน้อยใจกัมันทั้งวันนี่แหละคิดเรื่องโกรธก็โกรธทั้งวันทอะไรอยู่โกรธคิดไปทางอื่นแล้บเดียวกลับมาก็โกรธอีกมันเรากลวงความคิดสจิไม่ทันความคิดมันจะไม่คิดได้ยังไงคนยังไม่ตายมันคิดทุกคนนั่นแหละพระอรหันต์คิดหมดพระพุทธเจ้าก็คิดหมดแต่ท่านไม่ไปกับความคิดนั้นเองเขาเรียกว่าเป็นความคิดล้วนๆเป็น สังขารล้วนๆนั่นเป็นงนั้นม่มีใครไปสุกไปทุกข์กับความคิดเพราะมันไม่รู้ความคิดอีกแล้วมันไม่ได้เป็นธาตุความคิดเห็นไ้ยตอนนี้เราเป็นธาตุอยู่คิดไปไหนก็เป็นกูเป็นกูอยู่นะว่าก็ว่าให้กูโกรธกับกูโกรธอีกพอใจกับกูพอใจไม่พอใจกับกูไม่พอใจนะ่ะมีแต่กูอยู่แค่นั้นอันนี้มันไม่มีใครเป็นกูกับความคิดแล้วนะ Watts. เป็นธรรมชาติล้วนๆนะอันนี้นก็ไม่ทุกข์แล้วมก็มันคิดทั้งวันก็ไม่มีใครไปทุกข์กับมัน มันเป็นอิสระจากกันเห็นไหมเราไม่เป็นอิสระเพราะเรายังไม่ทันมันเลยแล้วก็ว่าเราไม่ได้คิดอยู่ทั้งที่มันคิดทั้งวันแล้วเราว่าเราไม่ได้คิดเพราะสติเราไม่มีนี่จะมีคิดได้ไงเพราะหน้าที่มันจะต้องคิดเป็นธรรมชาติของมันที่มันจะต้องคิดอยู่นั้นตลอดเวลาความคิดไม่มีใครไปหยุดมันได้ครับก็มีแต่รู้ทันมันเท่านั้นเองโกรธก็เหมือนกันก็มีแต่รู้ทันมันเหมือนกัน ไม่ใช่จะไปฆ่าความโกรธจนไม่มีความโกรธไม่ใช่รู้ทันมันกระดับนะมันโกรธมาอีกรู้ทันกระดับอีกความคิดกันรู้ทันกระดับอีกมันคิดขึ้นมาอีกรู้ทันกระดับอีกก็แค่นั้นมันก็เป็นมันคิดเองมันแบบนี้ทั้งวันเลยไม่ว่าจะตุ๊บปูุ่ชนคนหนาหรือกิเลสพระอรหันต์ก็แล้วกันแต่ท่านไม่ไปหลงพระอรหันต์ท่านไม่ไปหลงแต่ปุถุชนมันไปกับความคิดทั้งวันความคิดจุงจมูกไปทั้งวันเชื่อมันทั้งวันโดนความคิดต้มตุ๋นอยู่ทั้งวันน เพราะสติไม่ทันความคิดก็ฝึกสตินี่แหละทําบอกให้รู้สึกตัวตั้งแต่หนัอสือนอนตนหลับเพื่อจะให้มันสติมันสะสมไปแล้วมันจะเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาจนมันไปเห็นความคิดแล้วมันจะไม่ไปกับความคิดไงก็ทําแค่นี้แหละวงจรมันมีแค่นี้ภาวนาเพราะมันไม่ได้มีมากอะไรไปกว่านี้มันไม่ได้สลับซับซ้อนมันไม่ต้องไปพิจารณากายอะไรเลยได้พิจารณากายอ่าเห็นั้หแล้วทํำไมมันมันถึง ละกิียสได้ไม่เราไม่พิจารณากายไม่ไปไม่ไปพิจารณาสุภาษะทาไมมันละได้ก็มันเกิดจากความคิดเราทันความคิดมันก็ไปเป็นอสุภาพเป็นสวยเป็นงามไม่ได้แล้วพอทันมันมันโผล่หน้ามาก็รู้ทันก็ไม่ไปกับมันก็ดับเกิดจากความคิดเนี่ยทันความคิดเนี่ยฝึกสติให้มันทันความคิดมีแค่นี้มันยากตรงไหนมันไม่เห็มีอะไรยากเลยมันยากเพราะสติเราไม่มีนี่ยแหละมันไม่ต่อเนื่องสติไม่ต่อเนื่อง มีแต่เผื่ตัวเนื่องมีแต่กี้เดืจุวงจมูกต่อเนื่องเป็นขี้ข้าวมันต่อเนื่องกระทุกต่อเนื่องอยู่ทั้งวันทั้งปีทั้งชาติอยู่ก็อยู่แค่นั้นนะไม่อยากให้มันคิดเท่าไหร่มันก็ยิ่งคิดอไม่ต้องไปห้ามมันก็บอกแล้วความคิดก็บอกมันไม่รู้กี่รอบแล้วบอกไม่ต้องห้ามความคิดมันคิดขึ้นมาก็เอากลับมารู้ตัวเนี่ยไม่ไลกับความคิดนี่แค่นั้นเองไม่ได้ห้ามอมันคิดขึ้นมาก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดแล้วก็ไม่ต้องไปบนไปดา่ามัน อันนี้คอยแตจะเปรียมันไปด่ามันคิดอีกแล้วนะยิ่งแม่ยิ่งไม่อยากคิดเท่าไหร่มันยิ่งคิดมันคิดขึ้นมาก็ยิ่งทุกข์เพะพอาะไปฝืนความจริงไปฝืนธรรมชาติก็เป็นมิจฉาคิดที่เขาเรียกว่าเห็นผิดมันยังไม่ใช่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเอามาคิดขึ้นมาก็รู้ทันแต่ไม่ไปกับมันเอามากลับมารู่ตัวเห็นมคิดไม่ยึดกลับมารู่ตัวยึดไม่ไปกับความคิดนั่นแหละเขาเรียกม่ห้ามมันนะจะไม่ไปกับมันอือเราไม่อยากมีแต่ห้ามไม่อยากให้มันคิดกันนั่นเลย บริกรรารพ่อกูไม่อยากให้คิดเนี่ยทําเนี้แต่ทุกข์แล้วสีนี้นั่นแหละเผยืนธรรมชาติไม่ยอมรับตามความเป็นจริงของเขาเนี่ยคเ็เรียกคนเห็นผิดเป็นมิจฉาชทิฐิทุกข์อยู่ตลอดเวลาลเป็นมิจฉาชทิฐิไม่ยอมรับความตามความเป็นจริงของเขาเนี่ยมันก็ต้องยอมรับเนี่ยเนะคิดขึ้นมาก็รู้ทันอยากไปกับมันเอากลับมารู้ตัวถ้ารู้ตัวนะถ้ารู้เฉยเราคิดขึ้นมาก็รู้เฉย มาใจเสียใจขึ้นมาลุ้ยเฉยให้พ <UNC palate Malaysia> ูดไม่เข้าหูว่า้ยหุ่นยิบขึ้นมาลุ้ยเฉยเนี่ยก็แค่นี้เองอันนี้กับมันกันถ้ายังไม่รู้ที่เฉยมาได้พูดมันหุ่นยิบขึ้นมาเอามารู้ยตัวไปอีกก็เอามารู้ตัวอีกก็ทําอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามมันนะไงทําเขาก็ทําให้เป็นธรรมชาติที่สุดเห็นไหมเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่สุดไม่ได้ไปฝืนธรรมชาติไม่ใด่ไปห้ามไม่ให้มันคิดอ่ามันไม่คิดแล้วเยถ้าห้ามมันก็ยิ่งห้ามมันก็ยิ่งคิดยิ่งทุกข์ ไม่รู้ตามความเป็นจริงเขาเรียกมิจฉาทิดคิดนะไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเปขื น, นความจริงเหือนนําทุกข์มาให้ดีๆนี่มันอยากจะให้แต่คนอื่นพูดกับเราดีๆนะเนี่ยมันจะมันเป็นไปไม่ได้อพอพูดเราตาเราดีเราก็พอใจชอบใจพอเขาพูดขัดหูไม่ดีขึ้นมาแบไม่พอใจอีกอังเนมันเห็นผิดทั้งนั้นเลยทุกข์ทั้งนั้นเลยทั้งสองฝัง่งนั่นอยู่ตรงกลางอ่า เห็นไหมโกรธก็ไม่ไปกับมันพอใจก็ไม่ไปไม่พอใจ ก, ก็มันอยู่ตรงกลางเนีน่ยรู้เฉยถ้ารู้เฉยได้ก็รู้เฉยถ้ายังรู้เฉยไม่เดี๋ยเอากลับมารู้ตัวเนี่ยก็แค่นั้นะพูดไปก็ไม่เห็นมีอะไรยากกัพูดไปเนี่ยมันมีอะไรสลับซับซ้อนที่ไหนเออมันเหมือนสายไปลอยยุงยางเออ ม, มันเหมือนสายไปลอยยุงลอยยางไม่รู้จะสายไหนไปทางไหนเออไปซ่องไปเออมันอีกอย่ัง อันนี้ก็แค่นี้มันง่ายขนานั้จะเอาง่ายขนาดไหนกันจนมันมีแต่กายกับจิตหมแล้วนี่จริงอยู่ไม่ม่ไม่มีบารีเลยนะเพราะว่าไม่มีบารีเลยนี่นั่นแหละเราจะไปหลงบารีอันนี้อันี้ว่าจิตอย่างนั้นอย่งนี้นั่นแหละก็รู้กายเห็นมันก็เห็นรู้กายเคลื่อนไหวไปเนี่ยจนสติมันตั้งมั่นมันทันความคิดเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นรู้กายแล้วจะเข้าไปเห็นจิตคือทันความคิดนั่นแหละเกิดจากความคิดเนี่ยทุกทั้งหลายเกิดจากความคิดอันนี้ที่เราสติเราไม่ทันมัน ฝึกแค่มันทันความคิดมันคิดมารู้ทันมันโกรธมาลู่ทันเนี่ยมันก็ไปปรุงแต่งไม่ได้มันอจะเอาทุกข์มาจากไหนก็ทําแช่นี้มันไากตรงไหนมันสลับซ้อนที่ไหนไม่ canal, ต้องไปคิดเจรนาเกย์ไม่ใช่กูไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ต้องไปว่าอะไรเลยมันไม่สวยไม่งามอะไรก็ไม่ต้องว่ามันเกิดจากความคิดไงเราไม่ไปกับมันเท่านั้นแหะมันคิดมาว่าสวยก็ไม่ไปกับมันก็รลู่เฉยๆอีกเนี่ยมันมันไม่พอใจขึ้นมากับลู่เฉยๆอีกเนี่ยมันจะทําอะไรได้มันก็ไม่ทุกข์แล้วใครจะไปทุกข์กันที่มันทุกข์เพราะเราเข้า สติไม่ทันตามมันไปโดนมันหลอกทั้งวันเห็นไหมมันก็เกิดจากสติเราไม่มีนะมันจะไม่มีอะไรมันจะมีอะไรมากไปก่อนเนี่้ก็เราไม่เอาเราไม่ทําต่อเนื่องในที่มันไม่เป็นให้มันทําไม่ต่อเนื่องถ้าทําต่อเนื่องอนี้เจียดมันจะหนาขนาดไหนมันก็ทะลุไปได้หมดแหละมันไม่เกี่ยวเลยมันทะลุไปไม่ได้เพราะอะไรเราไปมันไม่ทําต่อเนื่องแล้วก็ท่งออกแต่ข้างนอกต่อเนื่อง ไปเก่งโทษคนอื่นต่อเนื่องไปจับผิดคนอื่นต่อเนื่องไปไม่พอใจคนอื่นต่อเนื่องเนียมันก็ทุกต่อเนื่องเป็นที้ข้าเยี่ยต่อเนื่องเกิดตายต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้นนะเห็นไหมล่ะ <C> e <at> มันก็เปลี่ยนยังไงมันอยู่ที่สติให้มันทันมันเท่านั้นแหะมันไม่มีอะไรยากหรอกภ <C> e <at> าวนาเนี่ยมันบอกของง่ายๆให้ทั้งนั้นเลยมันไม่มีอะไรสอบซับซ้อนอะไรสักอย่างนมันไม่มีอะไรง่ายเกินนี้หรอกใจเยาว่าไปนะอทางตรงเลยเนี่น แต่มันก็มีตัวขี่คออยู่คอยสับคอยเคกไม่ให้เชื่อน่ะตัวนึ่นเงมันกลัวไม่มีขี้ข่ารับใช้มันมันกลัวไม่มีลูกน้องไว้ขี่คอมันจะเลี้ยงเราไว้ขี่คอแล้วก็สับเขกเรามันก็ตัว น, นั้นเดียวนั่นล่ะเพราะเราเป็นขี้ข่ารับใช้มันก็รักษามันไว้น่ะกลัวไม่ลกลัวกิเลสไม่มีขี้ข่าไว้ขี่คอแล้วก็คอยเป็นขี้ข่ารับใช้มันอยู่นั่นมันสั่งให้โกรธกูก็ต้องรีบโกรธให้มันอ่สั่งให้หุนยิ้นก็ต้องหุดยิ้นให้มันทำไมล่ะมันสับมันเค็เรา กสติไม่ทันถ้ามีสติทันมันมันสับเค็งเราไม่ได้หรอกจะไปเปหลงกลอะไรมันภาษากิเลสนะมันคิดขึ้นมารุ้ทันก็ดับแค่นั้นโกรธขึ้นมาเอารู้ทันดับไม่ไปกับมันแค่นั้นมันจะทําอะไรเราได้เราเรามีสติงี้มันทําอะไรเราไม่ได้หรอกมันจุกจะบุกเราไม่ได้มันใช้งานเราไม่ได้สุกอย่างแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนในเมื่อไม่ได้เมื่อเป็นไม่ได้เป็นที่ข้ามันเราจะทุกข์มาจากไหนที่มันทุกทุกวันนี้ก็เพราะไปเป็นที่ข้ารับใช้มันอยู่ไม่จบไม่สิ้นอ่ เขาสั่งก hmm. ็รีบวิ่งตาลีตาลานปลาเหลือไปรับใช้เขาเขาไม่สั่งก็จะรีบจะทําให้เขาอยู่แล้วเพราะเป็นขี้ข้าจนเคยชินแล้วเขาไม่สั่งก็อยากจะทําให้เขาอยู่แล้วะเมื่อไหรจะบอกให้กูโกรธสักทีนู่นละถ้าเขาไม่สั่งก็ไปบ่นให้เขาอีกเมื่อไรจะสั่งให้กูโกรธกูจะได้มีความสุขบ้างอะไรเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ทันเขามันเป็นขี้ข้าเขาอยู่จนเคยชินแล้วก็ทุกข์จนเคยชินเกิดตายอยู่ไม่จบไม่ ชินจนเคยชิน น, นอะอแล้วเมื่ อ, อไหร่มันจะเป็นอิสระจากขาได้สักทีล่ะจะเป็นงนี้ยมันไม่พอเพี้พอลาบแล้วเนะนี่ยยังมีเห็นว่ามันดีอยู่หรือมันขับศัพท์มันเขกมันเป็นขี้ข้ายิ่งรับใช้มันหัวสุกหัวซุนเขาศัพทเขาเ ข, าขนาดไหนก็ยังพอใจอยู่นี่ย น, นะยังว่า ด, ดียังไม่มีความสุขอยู่แล้วอ้เป็นอี่ข้ารับใช้เขาไปที่ไหนมันคก็น่าฟังอย่างเงี้ยเหมืนอนนพอเจ็ดพอลาวแล้วได้พูด ที่บายให้เห็นทุกเห็นโทษของมันยังจำอยากเป็นขี้ข้าให้เขาขี่คอยังจะปล่อยให้เขาสับเค็ไปอีกกี่กับกี่กันหลวงพ่อชี้ทางตรงให้แล้วยังยังไม่เดินก็ไม่รู้จะเดินทางไหนแล้วทางตรงมากตรที่เราตัวนี่ะครับตตัวม่ราอนน้ัอยพยายามูตรงนั่แหละเริ่มต้น เราไม่ต้องไปจับตรงหนเราก็สติเราอยู่ตรงไหนมีหรือยิ่งหรที่หลวพ่อเช่วขวที่ว่าดูการดูาเครื่องเดี๋ยวก็ได้ยินหลวงพ่อพูดอี้ก็จะปรุงแต่งว่าจะไปทาพรุ่งนี้หรือหรือวันต่อต่อไปต้องต้องทนตอนหลวงพ่อพูดได้ฟังเลยนี่แหละสติมันมันทั้งอยู่ในปัจจุบันผมรู้ตรงนี้อยู่ในในปัจจุบัน ตรวจตัวตัวพงแ